ช้านีนะ้จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเด็กฟังได้นะผู้ใหญ่ฟังดีอม น, นี่เดี๋ยก็ลองฟังดูก็ได้นะชายสองคนนะมารู้จักกันในระหว่างการเดินทางคนนึงเป็นเศรษฐีเป็นขาบบ้าวดีอีกคนหนึ่งนะเป็นหัวขโมยสองคนเนี่ยกำลังเดินทางนะไปที่จังหวัดหนึ่ง ระยะทางก็ไม่ไกลนะสองสามร้อยกิโลเมตรแต่สมัยก่อนเนี่ยถนนยังไม่ค่อยดีพาห น, นะก็ยังเชื่องช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค้างแรมประมาณสามคืนนะค้างแรงกลางทางกว่าจะถึงจุดหมายตัวขโมยเนี่ยเขา เห็นขับบอดีคนนี้ก็รู้ว่าเป็นคนมีเงินก็เลยพยายามปีสนิทด้วยเมื่อถึงจุดข้างแรมนะคืนแรกเนี่ยสองคนก็นอนในห้องเดียวกัน <c oughs> เสร็จทีหรับบอดีกนะ็ท่าทางก็ไว้วางใจเขานะเลยยินดีที่มานอนพักในห้องเดียวกันพอ ร, รุ่งขึ้นเนี่ยกัวขโมยก็ เริ่มนะทำตามแผนบอกเศรษฐีว่าให้ลงไปกินข้าวก่อนนะผมจะเข้าห้องน้ำสักพักแล้วเดี๋ยวจะตามลงไปพอเศรษฐีออกจากห้องตัวนขะโมยก็ออกจากห้องน้ำทันทีเราก็เริ่มคน้นกระเป๋านะค้น ย่ามของเศรษฐีแต่ก็ไม่พบเงินหรือสิ่งมีค่าก็เลยเข้าใจว่าเศรษฐีคงจะพกติดตัวลงไปข้างล่างด้วยเช้าวันต่อมานะเขาก็ทำเหมือนเดิมบอกให้เศรษฐีลงไปกินข้าวก่อนเขาเสร็จธุระในห้องน้ำแล้วก็จะตามลงก็สังเกตว่าเศรษฐีลงไปตัวเปล่า ไม่ได้พกสิ่งมีค่าลงไปด้วยก็แน่ใจว่าทรัพย์สินของเศรษฐีเนี่ยต้องอยู่ในห้องแน่ก็เลยค้นยาาค้นกระเป๋าอีกครั้งแต่คราวนี้คนใต้เตียงเศรษฐีด้วยค้นใต้หมอนก็ไม่เจออะไรก็แปลกใจ ชาวที่สามก็ทำเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จค้นยังไงค้นยังไงก็ไม่เจอรู้ในว่าเศรษฐีเนี่ยไม่ได้เอาอะไรลงไปด้วยแต่ว่าค้นหากระเป๋าย่ามใต้เตียงใต้หมอนเศรษฐีก็ไม่เจอตอนสายเนี่ยนะทั้งสองคนก็ถึงจุดหมาย ก่อนที่จะแยกย้า ย, ายาจากกันเนี่ยเศรษฐีมก็พบความสงสัยนะอยู่เต็มหัวเลยก่อนจะแยกจากกันเนี่ยนะโว้ขโมยก็เลยพูดกับเศรษฐีตรงๆนะว่าถามทีเถอะนะผมเนี่ยนะเชื่อว่าคุณเนี่ยต้องเอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วย แต่หาเท่าไหร่ก็หไหก็ไม่เจอนสารภาพว่าตัวเป็นขโมยอยากจะรู้จริงๆนะว่ า, าคุณเนี่ยนะเอาสมบัติไปไว้ที่ไหนจะได้เป็นเคล็ดวิชาต่อไปในภายภาคหน้าเศรษฐีก็เลยเปิดเผยว่าของมีค่าของตัวเนี่ยซุกไว้ใต้หมอนของขโมย โอ้ขโมยนี่คนทุกอย่างเลยนะคนทุกจุดเลยนะแต่ว่าจุดเดียวที่ไม่ได้ค้นก็คื อ, อใต้หมอนอของตัวเองอเศรษฐีนี่เป็นคนฉลาดนะจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยนะทาทางมีพิรุษนะแต่ก็ไม่กระโตกกระตากแล้วขณะเดียวกันก็รู้จักจิตใจหรือจิตวิทยา คนด้วยไม่ใช่เฉพาะของขโวยคนนี้เท่านั้นธรรมชาติคนเราเนี่ยมักจะมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วสิ่งที่ใกล้ตัวสําหรับหัวขโมยคนนี้คือหมอนนะที่ตัวเองนอนตลอดเวลาสามคืนหัวขโมยคนทุกจุดแต่ว่าไม่ได้คนใต้หมอนอตัว เพราะมันใกล้ตัวเกินไปแต่ว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นเนี่ยมันมีนะนะไม่ใช่หมอนหรือเตียงที่เรานอนอยู่เป็นประจำแม้แต่ปลายจมูกเราก็มองข้ามแต่สิ่งที่เรามองข้ามมากที่สุดก็คือใจของเราใจนเนี่ยนอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สดุดมันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเลย ในยามตื่นและในยามหลับแต่นั่นคือสิ่งที่เรามองข้ามมากที่สุดแล้วพอเรามองข้ามเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยจึงมีความทุกข์ได้ง่ายคนเราปรารถนาความสุขนะแต่ก็ไปสั่งหาความสุขนอกตัวลืมไปว่านะความสุข ทแท้และยังยืนมันไม่ได้อยู่ไกลจากเราไปเลยนะมันอยู่ในใจนี่เองมันอยู่ที่ใจความทุกข์ก็เช่นเดียวกันหลายคนพยายามหนีทุกข์นะโดยการออกจากบ้านหนีจากบ้านหนีจากผู้คนหนีจากความบกนเทึกจอแจแต่นี้เท่าไหร่ที่ใครก็หนีทุกข์ไม่พ้น เพรลืมมองไปว่าทุกนะมันอยู่ที่ใจแล้วก็มันเกิดที่ใจด้วยพระเจ้าจรัสว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะย่อมนําสุขมาให้ซึ่งเราก็สามารถจะตีความในทางตรงข้ามว่าจิตที่ฝึกไว้เร็วหรือจิตที่ฝึกไว้ไม่ดีหรือจิตที่ไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยย่อมนําทุกมาให้อันนี้สําคัญนะ มันแปลว่ามันแปลว่าเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยอย่าไปโทษสิ่งภายนอกจะให้กลับมาดูที่ใจของเราแต่เป็นเพราะคนเราชอบมองข้ามใจของตัวเองเราจึงไปโทษสิ่งนอกตัวมนุษย์เรามีความรู้ในเรื่องโลกและจั ก, กรวาลไปจนถึงใต้สมุดใต้ คือ พ, พบนะแต่ว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับจิตใจเราน้อยมากและเพราะเห็นนั้นเนี่ยนะเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยเราก็จะไปโทษสิ่งนอกตัวได้ง่ายมากทุกข์กายเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งรอบข้างและนอกตัวเช่นแดดร้อนอากาศหนาวหรือว่า น้ำที่ทิมแต่ว่าทุกใจนเนี่ยนะสาเหตุจริงๆเนี่ยตัวการที่แท้เนี่ยก็คือใจของเรานี่แหละเวลามีเสียงดังแล้วเรารสึกหงุดหงิดไม่พอใจเรามักจะโทษไปที่เสียงหรือต้นเสียงนั้นแต่ก็ลืมมองที่ใจของเราและจึงไม่รู้ว่าที่แท้เนี่ย มันเป็นใจของเราต่างหากที่ทำให้หงุดหมิดเมื่อประมาณสี่สิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อชาวสุพัทโทเนี่ยวันหนองประพงษ์ท่านได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษก็มีพระสงฆ์ติดตามไปด้วยสามสี่รูปนะรวมทั้งท่านอาจารย์สุเมโท ที่องกฤษเนี่ยเจ้าพักเขาก็นิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดใกล้ๆกับวิหารตรงข้ามวิหารเนี่ยนะมันเป็นเป็นผับเป็นบาร์ตอนเย็นๆค่ำๆนะก็จะมีการร้องรําทําเพลงนะมีส่งมีการนะส่งเสียงสนุกสนานไอ้เสียงนั้นมันก็เข้ามานะดังเข้ามาถึงในวิหาร ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่หลวงพ่อชาเนี่ยพาพระล ะ, ะยมนั่งสมาธิสี่สิบนาทีเย็ยนค่ำวันหนึ่งนะเสียงก็ดังกระหึ่มนะเข้ามาถึงในวิหารขณะที่พระละยมกำลังนั่งสมาธิพระหลายรูปโยมหลายคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยรู้สึกมุดหงิดที่เสียงดังแต่หลวงพ่อชานี่ท่านนั่งยิม้มท่านนั่งสงบอ่นะ มันก็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จนะก็มีเจ้าภาพหรือโยมเนี่ยนะมาหาท่านแล้วก็บอกว่าขอโทษหลวงพ่อที่เสียงดนตรีมารบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่าโยมมาไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเรา ที่จรงเราต่างหากนะที่ไปรบกวนเสียงดนตรีฟังอย่างนี้นี่เราเข้าใจไหมที่เราหงุดหงิดไม่พอใจเนี่ยเพราใจแล้วเนี่ยไปต่อล้อนต่อเถียงกับเสียงนั้นเสียงมันก็เป็นศัก์แต่ว่าเสียงนะแต่ไปเพราะใจเนี่ยไปทะเลาะนะใจไปบ่นกลด่าเสียงนั้นดังจริงโว้ยดุดได้แล้ว ร้องเพลงผิดคีย์นะเด่นดนตรีผิดคออะไรก็ว่าไปหยุดได้แล้วอยู่สักที น, นี่เรียกว่าใจเราเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงนั่นแหละคือตัวการที่ทําให้หงุดหงิดถ้าเป็นใจเราเป็นปกตินะเรียกว่าวางใจเป็นกลางหรือรู้สึกเฉยเฉยทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์หรือถ้าเกิดใจเราชอบเสียงดนตรีนั้นเนี่ยทุกข์ไหมไม่ทุกข์ กลับมีความสุขนะนั้นเวลาหงุดหงิดเมื่อได้ยินเสียงดังอย่าไปโทษเสียงให้กลับมาดูใจแล้วก็จะพบว่านั่นเป็นเพราะใจที่บ่นโวยวายตีโพยตีพายหรือใจที่ไปทะเลาะกับเสียงต่างหากนี่แหละคือตัวสมุทยัยนะคือเหตุแห่งทุกเรียกได้ว่าทุกใจทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ย ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากใจของเราไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกเวลาเราเดินนะมันมีแดดร้อนนะมันมีหินคมหรือว่าอากาศหนาวเนี่ยแล้วเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ย ให้ตรหนัก่เสมอนะว่าเนี่ยมันเป็นพราใจของเรามากกว่าใจที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้โดยใจที่คาดหวังบางสิ่งแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังรวมทั้งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอย่างที่เราสวดเนี่ยกลับมาที่ใจของเราและเห็นรู้เท่าทันใจที่บน่นใจที่โวยวายตีโพติพายใจที่ไปต่อเลาะต่อเทียงหรือไปทะเลาะ นะกับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าทางตาทางหูหรือทางกายก็ตามบางครั้งแมก้กระทั่งความทุกข์กายนี่นะมันก็มีสาเหตุหรือจุดเริ่มต้นมาจากใจนะลิงเนี่ยนะธรรมชาติของลิงเนี่ยมันไม่ชอบกระปิเวลามือหรือนิ้วมันถูกกระปินะโอ้มันจะมันจะเป็นทุกข์มากเลยแล้วมันจะพยายามททุกอย่างเพื่อให้กระปิ ที่มือของมันเนี่ยหายไปลิงมันทํำยังไงมันก็มือเนี่ยขูดกับหินเอามือถูกับต้นไม้ถูกระเบือกไม้เพื่อทําให้กระปีมันหมดไปมันถูๆๆเสร็จมันก็เอามื อ, อามาดมถ้ายังไม่กลิ่อนอยู่มันก็ถูๆๆจนเป็นแผลจนมือหรือนิ้วเนี่ยเลือดไหลแม้กระ น, นั้นมันก็ยังไม่หยุดถูนะ มันถูกยังแผลนี่เวอร์ว่าน่าสมเพชถามว่าลิงมีแผลแผลเวอร์ว่เนี่ยเพราะอะไรถ้าตอบว่าเป็นเพราะกะปิที่จะไม่ถูกนะที่ถูกก็คือเป็นเพราะความเกลียดกะปิกะปิมันไม่เคยมันไม่สามารถสั่งให้ลิงเนี่ย นะเอามือถูกับหินได้หรือทํำลายตัวเองได้ไอความเกลียดกับปิด่ังหาที่มันสั่งยิ่งเกียรดเท่าไหร่มันก็ยิ่งถูแรงมากเท่านั้นความเกียดกับปีอยที่ไหนนะความเกลียดเกียดกับปีอยู่ที่ใจแต่ลิงเนี่ยมันคงไม่มีทางรู้นะว่าตัวการที่แท้ที่ทําให้แผลเบิกบวะเนี่ยคือความเกลียดกับปีในใจแต่คนเราไม่ใช่ลิงนะนะเราสามารถที่จะ มีสเตรู้ว่าโอมันเป็นเพราะความเกียียวกับปิทั้งหากนะที่ทำให้มันเนี่ยไปสู้รบตกมือกับกบปินะเลือกไปต่อลอดต่อเทียงกับกบปินะาเปีจากความเกียียวกับปินะเป็นความรู้สึกเฉยๆนะก็ไม่มีแผลนะไม่เจ็บไม่ปวดให้เวลาเราเดินธรรมยาตาลองสังเกตดูนะพอที่เราทุกข์ใจเนี่ย เป็นเพราะแดดร้อนนะเป็นเพราะทางมันไกลเป็นเพราะเสียงดังนะเป็นเพราะเข้าคิวยาวหรือเปล่าหรยเป็นเพราะใจที่ไม่ยอมรับนะใจที่บ่นโวยวายติโพธิพายหรือใจที่คอยคิดว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะสิ่งภายนอกเราจะ ทำอะไรไม่ได้มากหรือทำอะไรไม่ได้เลย mm hmm. เช่นแดดร้อนเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วก็ จ, จะหลบเข้าร่มไม้แต่นี่เรามาเดินธรรมยาตาเราก็ต้องเดินแบลกพ้องกับหมู่ขน่ะคิวยาวเราก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราทําได้คือนะทําที่ใจของเราแม้แต่ความเจ็บปวดนะ ถ้าเรารู้สึกเรารู้สึกลบ ก, กับมันเนี่ยมันยิ่งทุกเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราลองวางทําใจเป็นกลางหรือว่ารู้สึกบวกกับมันมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทนได้และเอาอยู่นดะีย๋ยวว่าแต่เจ็บปวดนะในระหว่างเดินเลยนะแม้กระทั่งคนที่บวดพระมะเร็งเนี่ยหลายคนเนี่ยนะพอเขาปรับใจเปลี่ยนใจนะ ก็กระเจว่าความเจ็บปวดได้บางคนก็ใช้วิธีรู้สึกในทางบวกนะกับความเจ็บปวดหรือโรคที่เกิดขึ้นอย่างมีเพียงคนเหน่งเป็นโรคสะเก็ดเงินนะแล้วก็แรงด้วยอาการก็ลุกลามจนกระทั่งต้องนอนอยู่บนใบตองปวดมากนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ใช้ยาระงับปวดเท่าไหร่เลย เพราะนะเพราะว่าเธอจะเรียกว่าแผ่เมตตาหรือมีเมตตาจิตนะต่อโรคสเก็ดเงินก็ได้เธอชอบทําบุญนะเวลาทําบุญเสร็จก็จะบอกสเก็ดเงินนะว่าสเก็ดเงินนะฉันถ้าเธอจะไปก็เอาส่วนบุญของฉันไปด้วยนะแต่เธอเธออยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่าฉันกินยาที่ฉันกินมันแรงเธออาจจะตายได้ เนี่ยขนาดสะเก็ดเงินทำให้เธอปวดแต่เธอมีจิตเมตตากับสเก็ดเงินก็ทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บปวดได้สะเก็ดเงินมันจะรับรู้เอาบุญกุศลของเธอไปหรือไม่เนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องหนึง่งสเก็เงินจะไม่รับรู้อะไรเลยก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใะน้นคือใจเธอเนี่ยนะไม่ผลักไสไม่รังเกียจ ไม่เกียดชังไม่โกรธไอ้สะเก็ดเงินเพราะว่าเธอแผ่เมตตาให้ให้มันความเจ็บปวดจากสะเก็ดเงินนะก็เลยไม่สามารถทำให้จิตใจเธอเป็นทุกข์ได้แค่ปวดกายนะแต่ว่าใจนี่ไม่ได้ทุกข์มากอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะแล้วก็ ความปวดนี่มันก็จะเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาเวลาจะนอนเวลากลางคืนเธอก็ไม่โกรธนะก็พูดับมันว่ามาเร็งนะตอนนี้ก็มันก็ดึกแล้วนะเป็นเวลานอนอเธอนอนนะ้าชาก็นอนด้วยนะแล้วพูนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วเธอก็ร้องเพลงกรอบลูกให้มาเร็งฟังนะ่าเชื่อว่าเธอเนี่ย ก็สามารถจะนอนหลับได้และเธอก็เปอนคนที่เป็นสะเก็ดเงินนะถือเธอก็ไม่ได้ที่จะรังกับปวดมากไม่มีความต้องการมากอยู่กับความเจ็บปวดได้นะเพราะว่าใจที่รู้สึกบวกนะใจที่มีเมตตานะกับโรคหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเราจะทำขนาดนั้นไม่ได้นะแต่ว่าลองทําใจเป็นกลางๆดู ก็แค่รับรู้ดูมันเฉยๆอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนพูดเสมอ น, นะเห็นจะ่เข้าไปเป็นนะรู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปผักใสไม่ไปต่อรอดต่อเทียงกับเสียงที่มากระทบหูหรือว่าความเจ็บปวดนะที่เกิดกับกายนะไม่ไปต่อรอต่อเทียงกับหินนะที่ มันตําเท้านะหรือจะรู้สึกบวกกับมันก็ได้เออขอบคุณนะนะที่เป็นแค่กรวดนะไม่ใช่น้นาแหลมไม่ใช่เป็นเศษแก้วนะโชคดีจังเลยนะแค่กรวดมีบางคนก็ใช้วิธีนี้นะรับมือกับมะเร็ง น, นะเพียงคนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งอายุสิบสี่นะ เธอเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าเธอนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปาษ า, าดีมากจนจิตอาสาก็ทึ่งนะจิตอะคนป่วยเนี่ยเด็กยังชวนจิตอาสานี่วาดรูปเลยจิตอาสาก็นึกแปลกใจมีอารมณ์วาดรูปอีกเลวเนี่ยสักพักเนี่ยคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าเนี่ยนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งหมดรูป มียากหนึ่งเป็นมะเร็งบนลูกปวดมากเลยหนู โ, โชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอแค่มะเร็งสมองย่งบางโชคดีสิ่งสิ่งสำคัญนะคําสําคัญอยู่ที่คําว่าแค่คําว่าแคนะ่ขาดทุนนะขาดทุนเป็นล้านขาดทุนสิบล้านแต่ถ้านึกในใจเอา ขาทุนแค่1ิบล้านค่นี้อ่ะนะมันทุกความทุกมันลดลงไปเยอะเลยแต่ถ้าได้สิบล้านแล้วก็บอกว่าได้แค่1ิบล้านเท่านั้นเลอทุกเลยนะคำว่าแค่นี่นะมันสามารถทำให้เราสุขหรือทุกได้ผู้ชายคนหนึ่งนะแกตัวซี้ตัวผอม หมอเห็นก็จับตรวจเลือดเลยนกแกเพลียมากแล้ว ก, ก็นัดมาฟังผลพอแกมาเนี่ยมารับฟังผลหมอกบ็บอกว่าเนี่ยลุงเป็นเบาหวานนะแกยิ้มเลยนะหมองงเลยหมอบอกว่าเนี่ยลุงเป็นเบาหวานนะลุงต้องปกิจยาตลอดชีวิตนะนะต่อไปนี้ก็ต้องงดอาหารงดน้ำตาลไปทั้งชีวิตเลยนะ ต้องขูมอาหารให้ได้นะท่านทําไมยุงลุงยังยังยิ้มนะยังดีใจแกก็ตอบว่าก็ทีแรกเมื่อเป็นเอดเนะ่ยพอรู้ว่าเป็นแค่เบาหวานนี่นะมันโล่งเลยนะแต่แต่เด็กคนนี้เนี่ยคำว่าแค่เนี่ยพอเติมไปที่หลงมะเร็งสมองนะมันทาให้เธอยิ้มได้นะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง เด็กสาวนะเป็นสิวนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่คนนึงอายุวัยเท่ากันนะเป็นมะเร็งสมองยิ้มได้มันแปลว่าอะไรมันว่าสุขลุกไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดกับเราแต่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเรามีความทุกข์นะไอ้ทุกข์กายก็เรื่องหนึ่งนะ แต่เวลามีความทุกข์ใจในรหล่องที่เดินธรรมยาตรานะอย่าลืมส่งอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกไปโทษนั่นโทษนี้ให้กลับมาดูใจของเราร้วนะปรับใจของเราให้ใหเป็นปกติมีสติซึ่งจะทำได้ต้องมีสติรู้ทันนะรู้ทันอาการของใจ สตินีมันช่วยได้มากทีเดียวเพราะมันช่วยทำให้เรากลับมาดูใจกลับมาเห็นอาการผิดปกติที่ใจนะกลับมาเห็นความรู้สึกรบที่ใจและพอมอพอมีสติรู้ทันนะธรรมชาติของใจเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นปกติแต่มันอาจจะ ปกติชั่วคราวแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมถ้าว่าสติเรา อ, อ่อนนะแต่ถ้าสติเราไวหรือกลับมาดูบ่อยบ่อยนะรู้สึกตัวบ่อยบ่อยมันก็จะทำให้ใจเราเป็นปกติได้ง่ายการเดินธรรมญาตตามเป็นการฝึกใจที่ดีนะเป็นการฝึกใจที่ดีอย่ามวัวแต่นึกถึงจุดหมายปลายทางเราใช้ การเดินธรรมยตาเป็นเครื่องฝึกตัวเองได้หลายอยา่างฝึกความอดทนก็ได้นะอย่างน้อยๆหลายปีก่อนเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะชื่อโอโซนนะอายุก็ประมาณแ9ดเก้าขวบโอโซนนี่มาเดินทุกปีนะแต่มาเดินเป็นบางช่วงเพราะว่าบ้านเขาอยู่เถวเนี่ยบนเขาเนี่ยพ่อก็พามาส่ง โอโซนก็มาเดินกับเราตอนเย็นพ่อก็มารับกลับเป็นอย่างนี้อยู่หลายปีโอโซนเดินมานักสองสมปีเนี่ยวันหนึ่งเดินมาถึงแถวป่าศัก์ท่ามาไฟหวานก็มีโยมเนี่ยเอาน้ำเย็นเอาขนมมาต้อนรับธรรมยรายพระเอยโยมเอยแนละ้วก็นะไปมรุมมาตุ้มอยูอย่ที่รถคันนั้น แต่ออโซนนี่นะก็มานั่งอยู่กับพระอีกกลุ่มนึงนะที่ท่านนะไม่ได้ไปรับน้ำพระก็เลยถามโอโซนว่าโอโซนไม่ไปกินน้ำเหร อ, อไม่ไปกินขนมเลยออโซนตอบว่าผมกำลังฝึกความอดทนครับ อ, อ, อดทนต่อสิ่งเร่าเราเ ย, ยาะยวนอันนี้เราเรียกว่าตบะนะออโซนกำลังบาเพ็ญตบะนะ ไม่ใช่ว่าบำเพ็ญตาบะนี่เป็นของลือศีเท่านั้นนะเด็กเล็กเ็กก็บเาเพ็ญตบะได้ผมกำลังฝึกความอดทนครับอดทนต่อสิ่งรอบเราเ ย, ย้ายวน <Yeah. S 1> อดทนมันมีสองอย่างนะอดทนต่อสิ่งรอบเราเ ย, ย้ายวนและอดทนต่อความยากลาบากนะไม่หวั่นไหวต่อความสุขสบายนี่ก็ตบะ yeah. อดทนต่อความยากลาบากอดทนต่อแดดต่อความหนาวต่อความผิวนี่ก็ บางทีเราก็เรียกว่าขันติดนะตบ่าขันติดนี่มันใกล้เคียงกันอส่วนจะพูดต่อนะว่าพรุ่งนี้ผมจะถอดหมวกครับจะฝึกความอดทนอีกขั้นนึงนะไม่ใช่แค่อดทนต่อความอยากกินขนมนะแต่ว่าจะขออดทนต่อแดดนะนอนัสนว่าพุงนงที่ผมจะถอดหมวกครับนะแล้วอส่วนก็ถอดหมวกนะ อดทนก็เดินมาอยู่หลายปีแต่ว่เห็นปีนี้ยังไม่เห็นเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ผ่านจุดที่เขานอนพักจริงเนี่ยเราทําได้มากกว่าความอดทนหรือฝึกความอดทนนะแค่ฝึกความอดทนนี่ก็ถือว่าดีและ้ะแต่ว่าเราสามารถจะฝึกได้ฝึกให้อยู่กับความทุกข์โดยที่ไม่จะเป็นต้องอดทน นะดูวความทุกโดยไม่ทุกเพราะเราไม่ไปแบกมันนะเราไม่แบกมันลองนึกภาพนะมีคนคนหนึ่งเห็นหินก้อนใหญ่เสร็จแล้วก็เลยไปแบกหินก้อนนั้นแบกสักพักก็บอกว่าเหนื่อยหนักหนักจังเลยเหนื่อยมากแล้วก็พยายามทำทุกอย่างนะเพื่อให้หินมันเนี่ย มันหายไปหรือมันเบาลงเช่นสวดอ้อนวอนว่าขอให้หินเนี่ยมันกลายเป็นนุ่นนะหรือว่าพยายามไปหาไปเรียกกลับไปเรียกคนมาช่วยพยุงช่วยแบกด้วยหรือมิฉะนั้นก็ไปเรียกรถมารถเอาปั้นจันรมานะเพื่อที่จะได้พยุงหินให้มันเบาลงหน่อยขอทําทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ได้ทําก็คือวางมางันลงนะ ระหว่างที่แบกระหว่างที่หนักระหางที่เหนื่อยก็โทษหินทําไมหินมันหนักอย่างนี้หินมันหนักอย่างนี้กูจะทนไม่ไหวแล้วเขาก็ได้แต่บ่นนะแต่สิ่งที่เขาไม่ทําเลยก็คือวางมันลงความทุกข์ใจของเรานะบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใจเราไปแบกของหนักแล้วก็ทําทุกอย่างนะ เห็นถ้าเสียงดังก็พยายามตะโกนบอกต้นเสียงว่าหยุดสักทีถ้าข้างบ้านนี่หมาเขาหาก็ตะโกนบอกข้างบ้านเพื่อนบ้านว่าเฮ้ยสั่งให้หมาหยุดเหานะเขากำลังเล่นกำลังมีปาร์ตี้กันร้องเพลงดังก็ตะโกนให้เขาหยนะุดเล่นได้แล้วมันดึกแล้วเขาทำทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ทำก็คือเลิกต่อรัตต่อเฉียงกับเสียงนั้นหรือว่าวาง เสียงนั้นลงจากใจไอ้ความเจ็บความปวดนะมันก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบนะมันเหมือนหินนะเราก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ความเจ็บความปวดมันหายไปแต่พระสิ่งที่เราไม่ทําก็คือวางมันลงนะปัญหาต่างๆนะมันทําให้เราทุกปัญหาต่าง ๆ, ๆเนี่ยที่เราทุกข์ใจเนี่ยไม่ใช่เพราะมันทําเรานะแต่เป็นเพราะเราไปแบกมันเอาไว้ นะปัญหาที่บ้านนะงานการการสอบหรือรายงานนะนักศึกษานักเรียนนักศึกษาหลายคนกำลังเครียดกำลังทุกข์นะเพราะต้องทำรายงานไอ้ที่ทุกข์ใจเนี่ยนะมันเป็นเพราะใจเรามากกว่าใจที่บนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วงานหนักจังเลย ทำไมไม่มีใครมาช่วยเราเลยเดี๋ยวเขาไม่ได้รู้ว่าเนี่ยไม่ได้ตระหนักว่าไอ้ที่ทุกข์ใจเพราะไปแบกมันเอาไว้หรือไปต่อรอดต่อเถียงนะนะกับสิ่งนั้นลองหยุดต่อรอต่อเถียงหรือว่าลองวางมันลงนะแล้วความปรงความโล่งความเบาสบายจะเกิดคนเราทุกวันนี้เนี่ยแบกหินแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้หินมันเบา แต่สิ่งที่ลืมทำก็คือวางมันลงนะลองฝึกดูนะคนที่แบกหินเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากเลยเรามาฝึกเราไม่ได้มาฝึกเพื่อให้มีความอดทนในการแบกหินเท่านั้นนะเรามาฝึกเพื่อให้รู้จักวางหินมันลงด้วยแล้วถึงตอนนั้นไม่ต้องอดทนนะความเจ็บความปวดเนี่ยเราไม่ต้องอดทนกับมันก็ได้ถ้าว่าเราวางมันลงก็สามารถอยู่ความเจ็บปวดได้ด้วยใจที่ไม่ทุก นะลองพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งนะจากความอดทนนะเพราะเจอความยากลําลบากมากลายเป็นว่าแค่อยู่กับความยากลําลบากได้โดยไม่ต้องอดทนแต่เพียงเพาะปล่อยวางหรือว่าเพราะรู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่มันก็คือไม่ไปทะเลาะไม่ไปเถียงไม่ไปโวยวายไม่ไปผักใสแล้วก็ไม่แบ่งมันด้วยนะ อาแล้วก็พอสมควรแก่เวลาแล้ว